เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่3 ม, มกราคมพุทธศักราช2554เป็นวันที่ท่านมีเวลาว่างจากภารกิจการงานเนื่องจาก เป็นวันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ญาติโยมเลยได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทมบุญให้แก่ชีวิต จ, จิตใจของตนซึ่งเปรียบเหมือนรถยนต์ที่จำเป็นที่จะต้องแวะจอดตามสถานีบริการเพื่อเติมน้ำมัน ถ้ารถยนต์ขาดน้ํามันรถยนต์ก็ไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ถ้าต้องการจะไปไหนก็ต้องเดินไปก็จะเกิดความยากเกิดความลาบากชีวิตจิตใจของเราก็เป็นเหมือนผู้ที่ยังเดินทางอยู่และเรากําลังเดินทางไปสู่บ้านของเรา คือพระนิพพานการที่จะเดินทางไปถึงบ้านของเราได้เราจําเป็นต้องเติมน้ํามันอยู่เรื่อยๆคือเราต้องเติมบุญอยู่เรื่อยๆจนกว่าเราจะถึงบ้านของเราแลว้วเมื่อถึงบ้านของเราแลว้วเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเติมน้ํามันอีกต่อไปเช่นพระพุทธเจ้า และพระอาหาันตสาวกทั้งหลายท่านไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำบุญอีกต่อไปเพราะว่าท่านได้ถึงบ้านของท่านแล้วได้ถึงพระนิพพานแล้วเมื่อถึงบ้านถึงพระนิพพานแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปไหนอีกต่อไปเพราะที่บ้านของเราที่บ้านของพระนิพพานนี้มีทุกสิ่งทุกอย่าง ครบถ้วนบริบูรณ์เราต้องการอะไรเราก็มีอยู่ในบ้านของเราเป็นเหมือนแก้วสารพัดนึกบ้านของเรานี้อยากจะได้อะไรอยากจะมีอะไรก็จะมีมาดังใจเพราะทิ้งต่างๆที่มีอยู่ในบ้านงั้นก็มีเพื่อให้เรามีความสุขอยู่ตลอดเวลานั่นเอง แล้วเมื่อเรามีความสุขอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็เหมือนกับว่าเรามีสิ่งต่างๆที่เราต้องการนั่นเองใจของพระพุทธเจ้าใจของพอระอนันตาสาวกทั้งหลายนี้เป็นปรมังสุขขังเป็นบรมบรมสุขอยู่ตลอดเวลายังเป็นเหมือนกับมีสิ่งต่างๆที่พวกเราทั้งหลายต้องการกันแต่ยังไม่รู้จักอิ่มรู้จักพอ ได้มามากน้อยเพียงไรเราก็ยังไม่อิ่มไม่พอไม่เหมือนกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้นั้นได้แล้วก็ทําให้จิตใจนี้มีความอิ่มมีความพอไปตลอดเวลาดังนั้นถ้าเราอยากจะพบกับความอิ่มกับความพอพบกับความสุขที่ถาวรยั่งยืนไม่มีความทุกขมาเกี่ยวข้องด้วย เราก็ต้องทำบุญให้มากพยายามทำบุญไปตามฐานะของเราตามกำลังของเราเพราะบุญนี้ก็มีหลายขั้นหลายระดับเหมือนกับการเรียนหนังสือที่มีหลายขั้นหลายระดับด้วยกันขั้นอนุบาลขั้นประถมขั้นมัธยมและขั้นอุดมศึกษาบุญที่เราจาเป็นที่จะต้องเรื่นี้ก็ มีอยู่หลายขั้นคือขั้นทานขั้นศีลขั้นสมาธิและขั้นปัญญาถ้าเราไม่ทำบุญเหล่านี้นดของเราคือชีวิตของเราก็จะไม่สามารถเดินทางไปถึงบ้านของเราได้เมื่อเรายังไม่ถึงบ้านของเราเราก็ยังต้องตกระกรรมลำบากกับความทุกข์ต่างๆ ที่เราจะต้องเผชิญในการในระหว่างที่เราเดินทางผ่านพบชาติต่างๆที่มีทั้งพบชาติที่ดีบ้างและมีพบชาติที่ไม่ดีบ้างแต่ถ้าเรายังไม่ไปถึงบ้านของเราก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องยอมรับกันจะต้องทำใจเกิดมาชาตินี้ เราอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างเวลาดีเราก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเวลาไม่ดีนี้มันทุกข์ทรมานใจแต่เราก็ต้องทําใจต้องยอมรับว่าภพชาติของเรนี้เป็นที่ให้เรามารับผลบุญผลกรรมที่เราได้ทํามาในอดีตนั่นเองเพราะว่าในอดีตเราไม่ค่อยรู้เรื่องของการทําบุญกันเท่าไหร่ เพราะเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเหมือนกับที่เราได้มาพบในชาตินี้ชาตินี้จึงเป็นชาติที่วิเศษเป็นชาติที่ประเสริฐเป็นชาติที่มงคลเพราะอะไรเพราะได้พบกับพระพุทธศาสนาได้รู้แล้วว่าเราควรจะทําอะไรและไม่ควรทําอะไรชาติก่อนๆ น, นั้นเราไม่รู้ เราจะทำไปตามอารมณ์ของเราเวลาอารมณ์เราไม่ดีเราก็จะทำไม่ดีทำบาปเวลาอารมณ์ดีเราก็จะทำบุญทำความดีเป็นเพราะว่าในอดีตนั้นเรายังไม่รู้ว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีกับเราและไม่ดีกับเรานั่นเองเมื่อเราได้ทำทั้งสองอย่างคือได้ทำทั้งบาป แล้ได้ทําทั้งกรรมมาผลก็จึงตามมาเวลาเรามาเกิดเราก็เลยได้พบกับผลที่ดีบ้างผลที่ไม่ดีบ้างเป็นเพราะบุญกรรมที่เราทํามาในอดีตนั่นเองแต่ต่อไปนี้เรารู้แล้วว่าการกระทําของเรานี้จะเป็นผู้ที่สร้างผลที่จะเกิดขึ้นตามมา ถ้าเราทำบุญอย่างเดียวไม่ทำบาปตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนพบชาติต่อไปข้างหน้าของเราก็จะมีผลกรรมผลบาปน้อยลงไปจะมีผลบุญมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเดินทางไปถึงบ้านของเราเมื่อเราไปถึงบ้านของเราคือบ้านพระนิพพานนี้แล้ว เราก็ไม่ต้องไปรับใช้กรรมอีกต่อไปเพราะเราไม่ออกจากบ้านแล้วเราอยู่ในบ้านที่ปลอดภัยบ้านที่บุญกรรมไม่สามารถเข้าไปถึงบาปกรรมต่างๆไม่สามารถเข้าไปจับเราออกมาทำลายได้นี่คือเรื่องที่เราจะต้องทาความเข้าใจและ พยายามปฏิบัติตามให้ได้คือพยายามทำบุญให้มากทำได้มากเท่าไหร่ก็จะถึงบ้านเร็วมากขึ้นเท่านั้นแต่เราต้องทำบุญทั้งสี่ระดับด้วยกันระดับทานเราก็ต้องทำระดับศีลเราก็ต้องทำระดับสมาธิเราก็ต้องทำระดับปัญญาเราก็ต้องทำถ้าเราทำแต่ระดับทานอย่างเดียว ก็เป็นเหมือนนักเรียนที่เรียนอยู่ที่ชั้นอนุบาลไม่ยอมเลื่อนชั้นขึ้นชั้นปฐมมัธยมและชั้นอุดมศึกษานะก็จะไม่สามารถสำเร็จเป็นป ร, ริญญาได้ชั้นใดการเติมบุญการทำบุญของพวกเราก็เช่นเดียวกันเราต้องทำบุญขยับขึ้นไปเรื่อยๆ ทำทานแล้วเราก็ต้องพยายามทำศีลต่อไปรักษาศีลต่อไปรักษาศีลได้แล้วก็ต้องพยายามทำสมาธิให้ได้ทำจิตใจให้สงบให้ได้เมื่อมีสมาธิแล้วก็ให้เจริญปัญญาให้พิจารณาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความไม่มีตัวตนของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือบุคคลร่างกายของบุคคลต่างๆนี้เป็นอย่างนั้นทั้งหมดคือไม่เที่ยงมีการเกิดแก่เจ็บตายมีความทุกข์ถ้าไปยึดไปติดและไม่สามารถไปบังคับให้เป็นไปตามความต้องการได้ไม่สามารถสั่งให้เป็นสาวไปตลอดได้ ไม่สามารถสั่งให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไปตลอดได้ไม่สามารถสั่งให้ไม่ตายได้เพราะธรรมชาติของสิ่งต่างๆนี้เป็นอย่างนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้เราจเจริญปัญญาเพื่อที่เราจะได้ปล่อยวางเมื่อเราปล่อยวางแล้วใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆ นี่คือบุญต่างๆที่เราต้องพยายามทำกันอย่างสม่าเสมอตามกำลังตามฐานะของเราตอนต้นนี้เราก็เริ่มต้นที่ทานก่อนเหมือนกับการเรียนหนังสือเราก็เข้าชั้นอนุบาลก่อนเพราะการทำทานนี้จะเป็นการกระทำที่ง่ายที่สุดไม่ยากจนเกินไปทุกคนนี้ สามารถทำตามได้ด้วยทุกคนไม่ว่าจะรวยหรือจะจนถึงแม้ไม่มีเงินก็สามารถให้สิ่งองื่นได้ให้กำลังกายของเรานี้ก็ได้เช่นเป็นอาสาสมัครรับใช้สังคมทำงานต่างๆอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้เหมือนกันเพราะถึงแม้จะไม่เป็นข้าของเงินทองแต่เราก็มีเวลามีกำลังกาย ที่เราจะสามารถทำงานให้แก่ผู้อื่นได้ก็เป็นการให้เหมือนกันและถ้ามีน้อยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้มากมีมากเราก็ต้องให้มากตามฐานะของเราเพราะว่าเวลาที่เรามีมากแล้วเราให้น้อยนี้เราก็จะรู้สึกว่ามันไม่อิ่มพอไม่อิ่มไม่สุขนะเพราะ คนที่มีมากนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนช้างตัวใหญ่คนที่มีน้อยก็เป็นเหมือนหนูตัวเล็กเวลากินข้าวนี้หนูกินข้าวไม่กี่ช้อนก็อิ่มแล้วแต่ถ้าเป็นช้างถ้ากินข้าวแบบหนูกินข้าวเพียงสองสามช้อนก็จะไม่อิ่มนะดังนั้นเวลาทำทานนี้จึงอยู่ที่ฐานะของ แต่ละคนถ้าคนมีทรัพย์มีเงินน้อยก็เป็นเหมือนหนูทําน้อยก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วแต่ถ้าคนมีมากแล้วทําน้อยเท่ากับคนจนทําเท่ากับคนจนเช่นมีร้านเองทำร้อยบาทอย่างนี้ก็จะไม่รู้สึกว่ามีความสุขมีความอิ่มแต่คนที่มีพันบาท แล้วทำร้อยบาทนี้เขาจะมีความรู้สึกที่อิ่มกว่าคนที่มีล้านบาทเพราะก็ททำไปหนึ่งในสิ์ของเงินที่เขามีอยู่ถ้าคนรวยที่มีเงินล้านอยากจะมีผลมีความอิ่มมีความสุขเท่ากับคนที่ทำเงินพันบาทร้อยบาทก็จำเป็นจะต้องทำหนึ่งแสนบาทคือต้องทำร้อยลสิ์เท่าเกัน ถึงจะมีความรู้สึกเท่าเท่ากันเพราะใจของเรานี้มีความมีความรู้สึกต่างกันคนมีล้านหนึ่งเวลาให้ไปร้อยบาทนี้จะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่คนที่มีพันบาทนี้เวลาให้ไปร้อยบาทนี้จะรู้สึกว่าให้ไปมากฉันใดคนที่มีล้านบาท ถ้าอยากจะมีความรู้สึกเหมือนคนที่ให้ไปร้อยบาทเพราะเขามีเพียงพันบาทก็ต้องให้แสนบาทขึ้นไปถึงจะมีความรู้สึกว่าได้ได้ทําได้เสียสละได้ให้จริงๆนี่คือเรื่องของฐานะของคนเราที่ ม, มีความแตกต่างกันดังนั้นเราจึงอย่าไป กังวลกับการทำบุญของผู้อื่นผู้อื่นเขามีมากเขาให้มากเราไม่มีปัญญาที่จะให้เท่ากับเขาได้ก็อย่าไปทุกข์เดือดร้อนใจเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรความที่เราเกิดความทุกข์เดือดร้อนใจว่าเราไม่ได้ทำบุญเท่ากับคนที่เขาคนอื่นที่เขาทำมากๆแล้วก็อาจจะทำให้เราคิดไม่ดีก็ได้ เราก็อยากจะอาจจะคิดว่าอยากจะทําบุญมากๆเท่าเขาก็เลยต้องไปหาเงินมาโดยวิธีไม่ชอบเพื่อที่จะได้เอาเงินมาทําบุญอย่างนี้ก็ไม่ดีแล้วถ้าไปทําบาปเพื่อที่จะเอาเงินมาทําบุญอย่างนี้ก็จะขาดทุนเพราะบาปนี้มันมีโทษมากกว่าบุญที่เราได้รับนั่นเองเช่นเราอยากจะทําบุญมากๆ เราก็เลยไปช่อโกอย่างนี้เป็นต้นไปลักขโมยไปโกโหกหลอกลวงเพื่อให้ได้เ่อยมาเพื่อมาทำบุญอย่างนี้ได้ไม่คุ้มเสียบุญเงินที่เราขโมยมาแล้วมาทำบุญนี้เราก็ได้บุญเหมือนกันได้ทานเหมือนกันแต่เราจะได้โทษจากการทำบาปเพราะจะทำให้จิตใจเราตกตำ่ำ และจะทำให้มีความกระวนกระวายวุ่นวายมีความทุกข์ความกังวลใจดังนั้นเรื่องการให้ทานนี้ต้องควรจะให้ตามฐานะของเราเรามีมากมน้อยเราก็ให้ไปตามกำลังของเราถ้าเราให้มากได้ตามกำลังของเราเราก็จะได้บุญมากเช่นสมมติเรามีพันบาท แทนที่เราจะให้ร้อยบาทเราก็ให้ห้าร้อยบาทอย่างนี้เราก็จะได้บุญมากกว่าการที่เราให้ร้อยบาทเช่นเดียวกับคนรวยคนที่มีเงินล้านถ้าให้แสนหนึ่งก็มีบุญมีความสุขแต่ถ้าให้ห้าแสนยิ่งจะมีความสุขใหญ่หรือถ้าจะให้ทั้งล้านเลยก็ยิ่งมีความสุขใหญ่เช่นบางคน มีกี่ล้านก็ให้หมดเลยแล้วก็ออกบวชเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระพุทธเจ้าก็มีหลายล้านด้วยกันพระพุทธเจ้าก็สละหมดเลยไม่เอาเลยแม้สะบาทเดียวออกบวชแล้วก็ได้สิ่งที่มีคุณค่ามีราคายิ่งกว่าเงินล้านที่สละไปเพราะได้พระนิพพานซึ่งเป็น สิ่งที่ไม่มีราคาไม่มีเงินทองที่จะสามารถซื้อพระนิพพานได้คุณค่าของพระนิพพานนี้มีคุณค่าเกินกว่าเงินทองทั้งหลายในโลกนี้ที่จะซื้อมาได้นั่นเอง <Yeah. S 1> นี่คือเรื่องของการทำทานเราก็ต้องพยายามทำไปให้มากทำทานที่เราสามารถทำได้ แต่เราไม่ต้องไปเสียเวลากับการไปหาเงินมาเพื่อมาทำทานทำทานจากเงินที่เรามีอยู่แล้วถ้าหมดแล้วก็ถือว่าพอแล้วจบแล้วส่วนไหนที่เรายังต้องเก็บเอาไว้ใช่เพราะจำเป็นต้องดูแลรักษาชีวิตของเราส่วนนั้นเราก็ต้องเก็บเอาไว้แต่ส่วนที่ไม่มีความจำเป็น เราก็ให้ไปเลยหรือถ้าเราจะให้บุแล้วเราก็ออกบวชอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราออกบวชได้เราก็จะสามารถทําบุญขั้นที่สูงขึ้นไปได้คือเราจะรักษาศีลได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ได้ออกบวชคนที่ยังเป็นผู้ครองเรือนอยู่นี้ยังจำเป็นจะต้องมีภารกิจต่างๆซึ่งบางครั้งบางเวลา ถ้าทำให้ไม่สามารถรักษาศีลได้อย่างบริสุทธิ์รักษาได้บ้างบางครั้งบางเวลาแต่บางเวลาก็อดไม่ได้ที่จะต้องพูดปดหรือบางครั้งบางเวลาก็อดไม่ได้ที่จะต้องฆ่าสัตว์บางครั้งบางเวลาอาจจะต้องเสศุรายาเมาหรือประพฤติผิดประเวณีได้เพราะยังเป็นผู้คองเรือนอยู่ การรักษาศีล จ, งจึงจะไม่ได้เต็มที่เหมือนกับผู้ที่ได้ออกบวชเนะพราะผู้ที่ออกบวชแล้วนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้อื่นนะเลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำบาสนั่นเองแต่ถ้ายังไม่ได้ออกบวชก็ขอให้พยายามรักษาไปเท่าที่จะรักษาได้เบื้องต้นก็ให้รักษาศีลห้าไปเรื่อยๆ พอถึงวันพระก็ให้ถือศีไปทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปก็อาจจะอยากจะออกบวชต่อไปพอมีความอยากที่จะออกบวชก็จะสามารถให้ทาน่อยจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้ผู้อื่นไปหมดเลยแล้วก็จะสามารถรักษาศีลได้มากยิ่งกว่าศีลหและศีล8 จะสามารถรักษาศีลของพระได้ถ้าไม่รักษาถ้าไม่สามารถรักษาศีลของพระได้ก็จะไม่สามารถอยู่เป็นพระได้นั่นเองเพราะจะเป็นที่ตาหนิติเตียนเป็นที่การหาหนึมทาบวชไปก็จะไม่เจริญก้าวหน้าผู้ที่บวชจึงต้องมีความสามารถที่จะรักษา สี่ของพระทั้ง227ข้อให้ได้ถึงจะถือว่าเป็นพระที่สมบูรณ์เมื่อรักษาสิ่ได้แล้วก็จะมีเวลาที่จะมานั่งสมาธิและเจริญปัญญาถ้าเป็นคารวะนี้จะไม่ค่อยมีเวลานั่งสมาธิกันเท่าไหร่เพราะจะต้องคอยทำมาหากิน คอยดูแลคนนั้นดูแลคนนี้คอยหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายเวลาที่จะมานั่งทำสมาธิทำจิตใจให้สงบก็เลยไม่มีเพราะกว่าจะเสร็จภารกิจต่างๆก็อยากจะนอนแล้วไม่มีเวลาพักผ่อน การเป็นค า, ารวาดจึงยากที่จะทำบุญขั้นสูงขึ้นไปได้อย่างมากก็ได้กับแกการให้ทานและรักษาศีลห้าศีลแต่ก็รักษาเฉพาะวันพระเท่านั้นเองแต่ถ้าอยากจะทำบุญที่สูงขึ้นไปก็ต้องออกบวชต้องถือศีล227ิต้องสละ ทราบสมบัติเข้าของเงินทองสละทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดไม่เอาอะไรติดตัวไปเลยเช่นพระพุทธเจ้าแต่จะได้เวลาได้ความสงบได้สถานที่สงบสงบได้ปลีกวิเวกได้มีโอกาสได้เจริญสติอย่างสะดวกสบายเวลาอยู่คนเดียวนี้จะเจริญสตินี้ง่ายกว่าเวลาอยู่กับ หลายๆายคนเพราะเวลาอยู่กันหลายๆคนแล้วจะต้องชวยชวนกันคุยกันช่วยกันชวนกันทาสิ่งนั้นสิ่งนี้การที่จะรักษาสติให้อยู่กับเนื้อกับตัวก็จะเป็นสิ่งที่ยากลำบากแต่ถ้าออกไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียวก็จะไม่มีอะไรมาดึงให้ใจให้เราเผลอเสียสติไปนอกจาก ความคิดต่างๆที่ยังมีอยู่ในใจเท่านั้นแต่จะไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาคอยดึงไปให้เสียให้เผลอดังนั้นการรักษาสติการเจริญสติจึงไม่ยากเพราะเพียงแต่คอยป้องกันไม่ให้ความคิดฉุดลากไปเท่านั้นเองก็มีการใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธ ไปเป็นเป็นหลักยึดจิตใจก็ได้เวลาทําอะไรก็ให้พุโทโธพุธโทโธไปภายในใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆใจก็จะมีสติจะไม่ลอยไปลอยมาพอเวลานั่งสมาธินั่งหลับตาทําใจให้สงบใจก็จะสงบได้อย่างรวดเร็วพอใจสงบแล้วใจก็จะ มีเหตุมีผลเพราะกิเลสตัวที่เจ้าอารมณ์นี้จะถูกกดเอาไว้ไม่ให้ออกมาเพ่นพ่านพอออกจากสมาธิใจก็ยังพร้อมใจก็จะพร้อมที่จ ะ, จะเจริญปัญญาได้จะพิจารณาไกรลักษณ์อนิจจทุกขังอนัตตาก็จะเห็นตามความจริงจะไม่มีกิเลสมาคอยค้าน มาคอยดึงให้ไปคิดเรื่องอื่นแต่ถ้าเวลาที่ไม่มีไม่มีสมาธินี้เวลาจะเจริญปัญญานี้จะเจริญไม่ได้เช่นเวลาคิดถึงคิดถึงความไม่เที่ยงคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายกิเลสก็จะมาค้านบอกว่าอย่าไปคิดเรื่องราวเหล่านี้เลยเป็นอัปมงคลคิดไปแล้วจะทำให้ตายเร็วขึ้นอย่างนี้เป็นต้น ก็จะไม่กล้าคิดกันแต่ถ้าออกมาจากสมาธิใหม่ๆนี้จะไม่มีกิเลสออกมาเพ่นพ่านเวลาพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายก็จะสามารถพิจารณาได้แล้วต่อไปก็จะจําได้พอจําได้แล้วเวลาจะทําอะไรนี้ก็จะคํานึงถึงเรื่องของความแก่ความเจ็บความตาย คนเราถ้ารู้ว่าจะต้องตายภายในสามวันเจ็วันนี้จะไม่มีกระติดกระใจที่อยากจะไปทำอะไรตามกิเลสติดต่อไปกิเลสจะชวนให้ไปเที่ยวก็ไม่อยากจะไปกิเลสชวนให้ไปหาเงินมาอีกร้อยล้านพันล้านก็ไม่อยากจะหาตอนนี้มีแต่อยากจะทำบุญเท่านั้นพะรู้ว่าเมื่อตายไปแล้วนี้เอาอะไรไปไม่ได้เลย เอาไปได้เพียงแต่บุญที่เราทำอยู่นี้เท่านั้นเองแต่เราไม่เราไม่ได้คิดถึงความตายกันบ่อยก็เพราะว่าใจของเราไม่สงบใจของเรามีกิเลสออกมาเพ่นพ่านอยู่ตลอดเวลามาหลอกมาล่อมาดึงให้เราไปคิดหาเงินหาทองหาทรัพย์สมบัติหาคนนั้นหาคนนี้หาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลา เพราะเราลึกคิดว่าเราจะต้องตายกันนั่นเองแต่ท้าหมอบอกว่าอยู่ได้เองไม่เกินเจวันนี้รับรองได้ว่าเราความคิดของเราจะเปลี่ยนไปทันทีจะไม่อยากได้เงินอยากได้ทองจะไม่อยากได้สิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้คนนั้นคนนี้อยากจะได้บุญอย่างเดียวอยากจะทําบุญมีอยู่คนหนึ่งเขาพอได้ทราบว่าหมอบอกว่าอยู่ไม่เกินสามเดือน เขาก็ขอไปอยู่วัดเลยทั้งสามเดือนไม่ยอมอยู่บ้านแล้วเพราะรู้ว่าอยู่บ้านนี้ช่วยอะไรเขาไม่ได้แต่ไปอยู่วัด น, นี้ช่วยใจเขาได้ช่วยใจให้เขาสงบได้ช่วยใจให้เขารับกับความตายได้ช่วยใจให้เขารับกับความเจ็บปวดได้เพราะวัด น, นี้จะเป็นที่สอนใจให้รู้จักปล่อยวางเมื่อปล่อยวางได้แล้ว คามเจ็บไข้ได้ป่วยความตายจะไม่มากระทบกระเทือนกับจิตใจเลยนี่คือปัญหาของพวกเราพวกเราไม่มีสมาธิกันใจเราไม่สงบกันเราจึงไม่ค่อยคิดถึงเรื่องของความจริงคืออริยสัจอริยสัจก็คือความแก่ความเจ็บความตายการพัดพากจากกันนี่คือความจริงที่พวกเราทุกคนจะต้องพบกัน ในวันข้างหน้านี้อย่างแน่นอนแต่เราไม่คิดกันเราก็เลยลือไปเราก็เลยมัวแต่หาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้อยู่ไม่รู้จักจบจากสิน้นพอวันดีคืนดีเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอหมอบอกว่าเหลืออีกเจ็ดวันหรือสามเดือนตอนนั้นก็ตกใจหมดกำลังใจไม่รู้ว่าจะทำอะไรถ้าไม่เคยเข้าวัดเลยก็ อาจจะคิดค่าตัวตายก็ได้แต่ถ้าเคยเข้าวัดก็อย่างน้อยก็จะรู้ว่าวัดนี้เป็นที่พึ่งได้เป็นที่เราไปทําใจได้ไปสร้างกําลังที่จะต่อสู้กับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามาทําบุญมาวัดอยู่เรื่อยๆ เพราะเราจะรู้ว่าที่พึ่งของเรานั้นอยู่ที่ใดพอถึงเวลาใกล้เป็นใกล้ใกล้ากลาตายขึ้นมาเราจะได้มีที่ไปมีที่พึ่งและเราจะรู้วิธีการสร้างที่พึ่งให้แก่เราก็เือด้วยการวิธีทาบุต์ทั้งสี่ระดับนี้เองคือทานศีล ส, สมาธิและปัญญาจึงขอให้ท่านจงเอาสิ่งที่ท่านได้ยินในวันนี้ นำเอาไปพินิษ์พิจารณาและปฏิบัติตามกำลังแห่งศรัทธาวิริยะสติของท่านเถิดรับรองได้ว่าต่อไปใจของท่านจะมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพระสีรัตนาจัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นตัดใจให้ท่านมีแต่ความสุขมีความสบายใจตลอดในปีใหม่นี้โดยทั่วหน้ากันเธอ